าตาไม่ค่อยดีเหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้แต่อยู่ข้างกายแค่เพียงเลี้วมองฉันเดินมองไม่เห็นสักทีคุณค่าของเธอคนนี้ไม่เห็นเลยฉันเพิ่งรู้วามองพลาดไป เมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้นจากคนที่เคยยืนคอยที่เดิค่อยคอยเดินก้าวไปจากฉันพาเธอที่เห็นเลือนลางก็เริ่มจะชัดรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกันฉัน แค่คนที่พอดีกับฉันหลักคำนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกฉันหรือมือใครมาเป็นไว้ก็สาตาฉันยาวจนเกินไปมองเลยว่าใจที่ไกลกับเทืยอนควาต้องการเธอได้ยิน ช่วยหันมองกันอีกทีถึงโลกมุนไปทางที่ใดถึงต้องพบใครใหม่สเสมอจากวันนี้จะมองเห็นใครไกลหรือไกลจะเห็นแต่เธอพาเธอทักนั้นจะคงอยู่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 ปองเลยว่าใจที่ไกลกคบเพียงเที่ยมขวาควาการเธอได้ยินไหมตะโกนได้ฟังดังเอาราขอเธยเดินไปจากฉันช่วยหันมองกันนีกทีใจที่มีจะทำเพียงต้งการาจะยืนยืนตรงในี้จะเธอคนเดีย ใจที่ไกลก็เพียงเรืงความ